เป็นวันที่ท่านได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างเรือนใจสร้างที่อยู่อาศัยที่พึ่งทางใจเพราะใจนี้มีความสําคัญมากกว่าร่างกายมากกว่าสิ่งอื่นๆใดในโลกนี้เพราะความสุขความทุกข์ ของใจนี้มันใหญ่โตมากกว่าความสุขความทุกข์ของกายและของสิ่ง อ, อื่นๆเปรียบเทียบความสุขความทุกข์ทางใจนี้ก็เป็นเหมือนช้างส่วนความสุขความทุกข์ของร่างกายหรือของสิ่ง อ, อื่นๆนั้นเปรียบเหมือนกับหนู กับหนูนี่มีความแตกต่างกันเวลาโดนหนูเหยียบจะไม่รู้สึกอะไรถ้าถูกช้างเหยียบก็จะตายได้นี่คือความแตกต่างระหว่างความสุขความทุกข์ทางใจกับความสุขความทุกข์ทางกายและทางทางวัตถุข้าวของเงินทองต่างๆไม่มี เปรียบเทียบกันไม่ได้ผู้ที่มีความสุขทางใจหรือมีความทุกข์ทางใจก็จะทุกข์ทรมานหรือสุข mm. เช่นถ้ามีความสุขทางใจถึงแม้จะทุกข์ทางร่างกายจะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ามีความสุขทางใจจะไม่รู้สึกทุกข์ไปกับ ความเจ็บไข้ได้ป่วยของทางร่างกายหรือยามสูญเสียบุคคลไปหรือสูญเสียวัตถุเข้าของเงินทองไปใจที่มีความสุขก็จะไม่ไม่รู้สึกกระทบกระเทือนแต่อย่างใดในทางตรงกันข้ามถ้าใจมีความทุกข์แล้วถึงแม้ร่างกายจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ก็จะรู้สึกทุกข์ทรมานใจความสุขทางกายนี้ไม่สามารถไประงับความทุกข์ทางร่างทางจิตใจได้เวลาที่คนทุกข์มากๆถึงแม้ร่างกายยังอยู่ในสภาพดีแต่ก็ไม่อยากจะอยู่เพราะทนความทุกข์ทางใจไม่ได้ถึงกับต้องกระโดดตึกตายกัน ถ้าตัวตายทันไม่ใช่เพราะว่าร่างกายมันไม่สบายหรือทุกข์แต่ย่างใดแต่เพราะใจนี้ทุกข์ทรมานมากความทุกข์ทรมานของใจนี้เกิดจากการไม่มีธรรมะไม่มีเรือนใจไ ว, ไว้ไว้หลบภัยหลบความทุกข์ต่างๆเหมือนกับบ้านถ้าเราไม่มีบ้าน อย่างค่ำคืนเราก็จะไม่มีที่หลบภยัยถ้านอนนอกบ้านก็อาจจะถูกทำ้ายได้ถ้ามีฝนตกมีพายุมาก็จะต้องเปียกจะต้องลำบากลำบนจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะไม่มีที่หลบภัยทางกายใจของเราก็เป็นเหมือนร่างกาย ที่ต้องมีที่หลบภัยทางใจถ้าไม่มีที่หลบภัยทางใจแล้วเวลาที่เกิดความทุกข์รุมเร้าขึ้นมาก็จะต้องทุกขทรมานไปจนกว่าทุกข์นั้นจะหายไปหรือจนกว่าที่จะทนไม่ได้ต้องฆ่าตัวตายไปแต่การฆ่าตัวตายไปนี้ ไม่ได้หลีพ้นจากความทุกข์ทางใจแต่อย่างใดเพราะความทุกข์ทางร่างเพราะความตายของร่างกายนี้ไม่ได้ไปดับความทุกข์ทางใจแต่อย่างใดใจก็ยังทุกข์และจะทุกข์มากกว่าเดิมในขณะที่ค่าตัวตายเพราะจะมีความรู้สึกที่ทรมานอย่างยิ่งไหนจะทุกข์ทรมานกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว แล้วยังจะมาทุกข์ทรมานกับการคิดฆ่าตัวตายความทุกข์ในใจก็เลยกลับทวีคูณขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปอีกหลายเท่าพอร่างพอใจต้องแยกออกจากร่างกายใจที่ทุกข์ทรมารุ่มร้อนนั้นก็จะต้องไปเกิดในอบายทันทีเพราะใจมีแต่ความทุกข์ทรมานเพราะใจขาดธรรมะ ขาดที่หลบภัยทางใจนั่นเองผู้ที่ไม่ได้ทาบุญอย่างสม่าเสมอไม่ได้รักษาศีลอย่างสม่าเสมอไม่ได้ภาวนาอย่างสม่าเสมอเป็นเหมือนกับคนเร่ร่อนคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีที่หลบภัยแต่คนที่มันทาบุญให้ทานอย่างสม่าเสมอ มันรักษาศีลอย่างสม่ำเสมอมันบำเพ็ญจิตตะภาวนาอย่างสม่ำเสมออย่างพวกท่านทั้งหลายที่ได้มาวัดอย่างสม่ำเสมอมาทำบุญให้ทานบ้อยจากทรัพย์ข้าวของเงินทองจะตุปัจจัยทายทานอาหารเครื่องอาหารข้าวหวานทั้งหลาย จีวรออยารักษาโรคแล้วก็รักษาศีลห้าศีล8ดกันแล้วก็เจริญจิตตภาวนาทำจิตใจให้สงบ ด, ด้วยอุบายแห่งสมาธิคือการสวดมนต์หรือการบริกรรมพุทโธหรือการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกด้วยสติไม่ให้จิตไปคิด ถึงเรื่องราวต่างๆให้จิตเกาะติดอยู่กับงานที่กําลังทําอยู่กําลังสวดมนต์ก็มีสติอยู่กับการสวดไม่ไปคิดถึงสามีถึงภรรยาคิดถึงลูกคิดถึงงานคิดถึงนี่คิดถึงลูกนี่คิดถึงเจ้านี่ให้คิดอยู่กับบทสวดมนต์ไปเรื่อยๆถ้าเลื้ออยู่กับบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆ หรืออยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆแล้วใจก็จะอยู่ห่างไกลจากเรื่องราวที่สร้างความวุ่นวายให้กับใจถ้าวุ่นวายกับสามีก็จะลืมไปถ้าวุ่นวายกับหนี้สินก็จะลืมไปถ้าวุ่นวายกับกับอะไรก็ตามก็จะลืมจากสิ่งเหล่านั้นไปพอลืมจากสิ่งเหล่านั้นไปแล้วใจก็เย็ยนใจก็สบาย นี่คือการเข้าสู่เรือนใจด้วยการเจริญสมถภาวนาและถ้าไม่สามารถเข้าสู่เรือนใจได้เพราะต้องทำภารกิจการงานก็ให้ใช้วิปัสสนาภาวนาแทนให้เจริญอนิจจังทุกขังอนัตตาให้พิจารณาว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ปัญหาอะไรต่างๆมันจะใหญ่โตมากน้อยเพียงไรก็ตามมันก็จบกันที่ความตายนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแก้ปัญหาไม่ได้ก็ปล่อยมันไปถ้าแก้ได้ก็แก้ไปอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดจะอดอยากขาดแคลนก็ยังไม่ตายก็ดีกว่าความตายจะติดทุกติดตารางก็ยังดีกว่าความตาย จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังดีกว่าความตายมหาเศรษฐีหรือคนที่ไม่มีปัญหาก็ยังต้องตายเลยส่วนเรามีปัญหาเรายากจนเราก็ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาแล้วไม่มีใครยกเว้นที่จะหลุดพ้นจากความตายไปได้แต่คนที่เจริญวิปัสสนาอย่างนี้จะหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้ พอะจะไม่รู้สึกกวนกวายไม่รู้สึกกังวลกับปัญหาต่างๆมันจะอะไรจะเกิดก็เกิดถ้าเราทำดีที่สุดแล้วก็ทำได้เท่านั้นจะไปทำมากกว่านี้ก็ทำไม่ได้จะไปทุกข์วุ่นวายใจก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสู้จเจริญวิปัสสนาภาวนาไปดีกว่าคิดว่าเราก็ต้องตาย คนที่มีปัญหากับเราเขาก็ต้องตายเจ้านี้เดี๋ยวเขาก็ต้องตายลูกนี้เดี๋ยวเขาก็ต้องตายสามีเราภรรยาเราลูกเราเขาก็ต้องตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเราวิปัสสนาอย่างนี้แล้วใจของเราจะโล่งจะเบาจะสบายใจเห็นแล้วว่าปัญหาที่เรากำลังเผชิญนี้เป็นปัญหาจิบจอยเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆ เันเหมือนเส้นผมบางภูกเขาบางทีอยากจะได้อะไรแล้วไม่ได้ได้ดังใจก็อยากจะตายเสียแล้วทั้งๆั้งที่ไอสิ่งที่อยากได้นะั้นมันไม่มีความหมายอะไรเลยไม่ได้มันมาก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรหรือเวลาจะเอาชนะใครให้ได้ถ้าชนะเขาไม่ได้นี่ก็จะเป็นฟืนเป็นไฟกินไม่ได้นอนไม่หลับทำไมจะต้องไปชนะเขาด้วย ได้ประโยชน์อะไรจากการชนะเขาเพระพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการชนะผู้อื่นแม้จะคูณด้วยแสนหรือล้านเท่าก็สู้ชนะใจเราไม่ได้ชนะกิเลสเราไม่ได้เพราะการชนะผู้อื่นก็เป็นการสร้างเวรสร้างกรรมการแพ้ผู้อื่นก็เป็นการสร้างเวรสร้างกรรมถ้าเขาแพ้เราเขาก็อาฆาตพยาบาท ถ้าเราแพ้เขาเราก็อาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมเมื่อมีความอาฆาตพยาบาทอยู่ใจก็จะลุกเป็นไฟนรกขึ้นมาและเมื่อไปกระทําการการอาฆาตพยาบาทร้างแค้งก็จะต้องไปใช้เวรใช้กรรมต่อในอบายแต่ถ้ามีเจริญวิปัสสนายอมรับความจริงว่า แม้แต่พ้า阿าหาัรยังหนีไม่พ้นกรรมเลยพระพุทธเจ้ายังหนีไม่พ้นกรรมเลยมีคนมาจองเวรจองกรรมพยายามตามฆ่าอยู่ถึงสามครั้งสามลด้วยกันมีคนมากล่าวว่าไปทำไม่ดีไม่ร้ายไปทำให้คนอื่นท้องแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงเดือดร้อนกับสิ่งเหล่านี้เลย พระทัยของพระองค์มีวิปัสสนาทำให้ปล่อยวางได้ใครจะพูดอะไรใครจะทำอะไรเราห้ามเขาไม่ได้อะไรจะเกิดกับเรามันก็เป็นกรรมของเราเราก็ห้ามกรรมไม่ได้เช่นเดียวกันแต่เราห้ามความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาในใจได้ถ้าเรามีปัญญามีสติปัญญามีความรู้ทัน ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายว่าเราอยู่ในโลกของของโลกธรรม ท, ทั้ง8คือมีการเจริญราวก็มีการเสื่อมราบมีการเจริ ญ, ญยศก็มีการเสือ่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็มีความทุกข์ ที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นนกโพธิภพเช่นเดียวกันไม่ว่าใครทงนั้นที่เกิดมาในโลกนี้แล้วจะต้องเจอโลกธระทำทั้งแปนี้ด้วยกันทั้งนั้นอยู่ที่ว่าจะเจอแบบไหนจะเจอแบบกวลก歪กระสับกระใสเสีย อ, อกเสียใจเศร้าโศกกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือจะทะจนแบบสบาย อ, อกสบายใจ ถ้าระจนแบบสบายอกสบายใจก็ต้องระจนแบบพระพุทธเจ้าแบบพระอรหันตสาวกทั้งหลายคือท่านไม่ยินดีกับการได้มาของลาบยศเสรเสรสุถ้าไม่ยินดีแล้วเวลามันไปก็ไม่เสียใจถ้าเรายินดีสิ่งใดพอสิ่งนั้นเปลี่ยนไปหรือหายไปเราก็จะเสียใจเช่นเรายินดีกับแฟนของเรา ว่าเขาดีอย่างนั้นเขาดีอย่างนี้เขาน่ารักอย่างนั้นน่ารักอย่างนี้พอวันดีคืนดีเขาเปลี่ยนไปไม่น่ารักแล้วก็จะทำให้เราเสียใจขึ้นมาแต่ถ้าเราเฉยเฉยใครจะดีกับเราเราก็เฉยเฉยพอเขาไม่ดีเราก็จะเฉยเฉยจะไม่รู้สึกอะไรเพราะเราไม่ได้ถูกติดความสุขของเราไว้กับ เขานั่นเองเขาจะมาก็มาเขาจะไปก็ไปไม่ใช่เรื่องของเราเขาจะชมก็ชมไปเขาจะด่าก็ด่าไปไม่ใช่ปากของเราหูของเราใจของเราต่างหากที่จะต้องมีสติปัญญาคอยรักษาคอยคอยแก้ปัญหาคือถ้าไม่ชอบฟังก็สวดมนต์ไปภายในใจ นี่เป็นวิธีทำหูทวนลมสวมวนไปภายในใจเรื่อยๆแล้วก็จะไม่ได้ยินเสียงที่เขาพูดหรือถ้าสวดไม่ได้ก็ใช้ปัญญาว่าเสียงมันก็เป็นแค่เสียงเท่านั้นเสียงทาไมมันจะต้องมาทาให้เรากวนกวาดกระสับกระสายได้เสียงตอนนี้มันก็เป็นเสียงเหมือนกันเสียงด่าก็เป็นเสียงเสียงชมก็เป็นเสียงมันไม่มีปัญหาอะไรมันเป็นเสียง แต่เราไปเปลี่ยนมันให้เป็นหอกเป็นเป็นของมีดมีคมมามาบาดใจเราเท่านั้นเองเพราะเราไปมีความยินดียินร้ายกับเสียงถ้าเราฟังเสียงนกเสียงกาถึงแม้มันจะด่าเราเราก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะเราไม่ได้ไปเอาความหมายของเสียงนกเสียงกามาแปลงให้เป็น หอเป็นมีดคอยทิ่มแทงเรานั่นเองแต่เสียงของคนนี้เราชอบเอามาแปลกันแปลเป็นมีดบ้างแปลเป็นดอกไม้บ้างถ้าเป็นดอกไม้ก็ยิ้มชื่นชมมีความสุขถ้าเป็นมีดเป็นหอกก็ทุกทรมานใจเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าเรากําลังหลอกตัวเราเองจากเสียงที่เราได้ยิน มันเป็นเทียงเสียงขอให้คิดนว่าเป็นเหมือนเสียงนกเสียงกาเ <eles ksam arel> มื่อรู้ว่าเป็นเสียงนกเสียงกาแล้วใครก็จะพูดอย่างไรก็จะไม่มีความหมายอะไรพูดพูดยกย่องเยินยอเราว่าเราดีอย่างนั้นเราวิเศษอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ทําให้เราดีอย่างที่เขาพูดหรือวิเศษอย่างที่เขาพูดถ้าเราไม่ดีมันก็ยังไม่ดีอยู่นั่นแหละถ้าเราดีเขาจะพูดหรือไม่พูดเราก็ดีอยู่ของเราอยู่นั่น ว่าความดีหรือความไม่ดีของเราไม่ได้อยู่ที่คำพูดของคนอื่นแต่อยู่การกระทำของเราว่าเราทาดีคิดดีพูดดีหรือไม่ถ้าเราคิดดีพูดดีทาดีแล้วมันก็ดีอยู่เสมอความดีนี้ไม่ได้สูญหายไปจากการด่าของผู้อื่นด่าว่าเราไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดไม่ก็ไม่เห็นน่าจะเดือดร้อนอะไร ถ้าเป็นความจริงเราก็ควรที่จะยกมือไหว้ถ้าเขาว่าเราไม่ดีแล้วมันไม่ดีอย่างที่เขาว่าเราก็ต้องยกมือไหว้กรอบขอบคุณเขาเพราะเขาเป็นเหมือนกระจกส่องหน้าเราเขากำลังบอกว่าหน้าเราตอนนี้ไม่สวยกำลังเปื้อนควรจะเอาไปล้างเสียเวลาเราแต่งเนื้อแต่งตัวเรามีกระจกหรือไม่ตอนจะออกมาจากบ้านเราส่องหน้าเราดูกระจกดอเปล่า ถ้าไม่มีกระจกเราก้าออกมาจากบ้านหรือไม่เราไม่มั่นใจเราไม่รู้แล้วว่าขี้ตาเรายังติดอยู่ที่ตาหรือเปล่าขี้มูกยังติดอยู่ที่จมูกหรือเปล่าหรือมีรอยอะไรอยู่ในใบหน้าของเราหรือเปล่าเราหวีผมเรียบร้อยหรื อ, อยังเราใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยหรื อ, อยังสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีกระจกกระจกให้เราดูเราจะไม่ทราบไม่รู้ว่าเราเป็นอย่างไร ชั้นใดการพูดการว่ากล่าวตำหนิติเตียนของผู้อื่นก็เป็นเหมือนกระสกระจส่องสอง่สองเงาตัวเราให้เรารู้ว่าเราดีหรือไม่ถ้าเขาพูดไม่จริงก็คิดเสียว่าเป็นกระจบที่มันแตกก็แล้วกันกระจบแตกนี่เวลาดูแล้วหน้าตามันก็ไม่ดูดูไม่สวยงามเพราะกระจบแตกนี่ละหน้าตามันก็จะมันก็จะแตกตามกระจกไป เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่เขาพูดไม่เป็นความจริงเราก็รู้ว่าปากเขามีแต่ความพูดปดมุดเท็ดก็แล้วกันคิดว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเป็นควรที่เราไม่ควรให้ความสําคัญไม่ควรที่จะคบค้าสมาคมด้วยแต่ถ้าเขาพูดแล้วมันเป็นความจริงเราก็ต้องขอบใจเขา เพราะถ้าเราไม่มีคนบอกเราเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราดีหรือไม่ดีเพราะโดยนิสัยของพวกเรานะั้นเราชอบหลอกตัวเราเองเราชอบคิดว่าเราดีเสมอนี่คือปัญหาของพวกเราเวลาที่เราดูอะไรได้ยินอะไรเราไม่ได้ดูด้วยสติด้วยปัญญาเราดูด้วยอารมณ์ดูด้วยความรักความชัง พอดูในสิ่งที่เรารักเห็นในสิ่งที่เรารักเราก็ดีอกดีใจพอเห็นในสิ่งที่เราชังเราก็เสียอกเสียใจแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราดูนั้นมันเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่คงเส้นคงวามันมีการเปลี่ยนไปอยู่เสมอเห็นคนสวยคนหล่อในวันนี้อีกไม่กี่ปีในวันหน้าเขาก็เป็นคนไม่สวยไม่หล่อ เป็นคนแก่ไปเห็นคนเป็นในวันนี้ในวันหน้าก็เห็นคนตายมันเป็นธรรมดาของทิกสุนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปถ้าเรามีวิปัสสนาคอยสอนใจเราว่ามีเกิดมีดับเป็นธรรมดามีสวยไม่สวยเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปอยู่เสมอ และในที่สุดมันก็จะต้องหายไปหมดถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเวลาเราเห็นอะไรเราจะได้ไม่หลงเวลาเห็นคนสวยก็คิดถึงเวลาที่เขาแก่เวลาที่เขาตายเป็นอย่างไรเวลาเห็นคนแก่เวลาเห็นคนตายก็ย้อนกลับไปดูตอนที่เขาสาวเขาหนุ่มว่าเขาเป็นอย่างไรดูอย่างนี้แล้วมันจะไม่มีความรับไม่มีความชัง ไม่มีความลังเลียจเพราะเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเวลาได้เงินมาก็ต้องคิดถึงเวลาที่มันหมดไปเวลาได้ยศได้ตาแหน่งมาก็ต้องให้คิดถึงเวลาที่มันหมดไปเวลาที่ได้รับคาชื่นชมยกย่องสรรเสริญเยิอนยอก็ต้องคิดถึงเวลาที่เขาด่าเราตำหนิเรา เวลาที่ได้รับความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลถภาก็ต้องให้คิดถึงเวลาที่ไม่ได้ไม่ได้เสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลพภาว่ามันจะทุกข์ทรมานใจยอย่างไรเช่นคนติดสุรายาเมลเวลาดื่มเขาไม่คิดถึงเวลาที่เขาไม่ได้ดื่มหรือเวลาที่เขาอยากจะดื่มแล้วไม่ได้ดื่มว่าเป็นอย่างไรเวลาดื่มก็มีความสุข แต่เวลาอยากจะดื่มแล้วไม่ได้ดื่มมันก็จะมีความทุกข์ตามมาหรือคนที่มีแฟนก็เช่นเดียวกันเวลาอยู่กับแฟนก็มีความสุขแต่เวลาที่ไม่ได้อยู่กับแฟนก็จะมีความทุกข์ต้องคิดอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นวิปัสสนามีปัญญามีความรู้ทันถ้ารู้ทันแล้วเวลาที่เราสัมผัสกับโลกธรรมทั้งแป จะไม่ทำให้จิตใจของเราเดือดร้อนแต่อย่างใดจิตใจของเราจะรู้สึกเฉยๆท่ามกลางการไปการมาของโลกธรรมทั้งแปดเวลาได้เงินทองมาก็ไม่ได้ดี อ, อกดีใจเวลาสูญเสียไปก็ไม่ได้เสีย อ, อกเสียใจเวลาได้ตำแหน่งมาก็ไม่ได้ดี อ, อกดีใจเวลาเสียไปก็ไม่ได้ดี อ, อกดีใจ เวลาได้รับการชื่นชมยินดีก็ไม่ได้ดีใจเวลาเสียไปก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนี่คือเรื่องของวิปัสสนาเป็นอย่างนี้นี่คือการสร้างเรือนใจสร้างที่หลบภัยของจิตใจต้องสร้างหลายรูปแบบด้วยกันแบบสมถะก็สร้างไปถ้าเราไม่สามารถจเจริญวิปัสสนา คิดยังไม่เป็นก็ให้สวดมนต์ไปหรือบริกรรมพุโทโธไปถ้าเรายังทำไม่ได้ก็ให้รักษาศีลไปให้ได้ก่อนรักษาศีลนี่ก็ป้องกันไม่ให้เราต้องไปวุ่นวายกับการกระทาที่ไม่ถูกต้องถ้าเราไปทำร้ายผู้อื่นเราก็จะเดือดร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับกลัวจะถูกเขามาล้างแค้นกลัวจะถูกเจ้าหน้าที่จับไปลงโทษ ถ้าเรายังรักษาศีลไม่ได้ก็ให้เราทำบุญให้ทานไปก่อนการทำบุญให้ทานก็จะทำให้เรามีความอิ่มเอิใจทำให้เราตัดความโลภความเห็นแก่ตัวลงไปเวลามีความโลภอยากได้อะไรแล้วมันจะทุกข์ทรมานใจถ้าไม่ได้ดังที่อยากได้ถ้าเราทำบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะไม่รู้สึกอยากได้อร่อยมาก ใจจะมีความอิ่มเพราะการให้ทานนี้เป็นเหมือนอาหารนั่นเองถ้าได้รับประทานอาหารแล้วก็จะไม่หิวกับอาหารฉันใดถ้าให้ทานอยู่เรื่อยๆแล้วใจก็จะไม่อยากได้อะไรเพราะรู้ว่าได้มาแล้วก็เท่านั้นซู้ให้ไปไม่ได้ให้ไปแล้วกับมีความสุขมีความอิ่มมีความพอ ได้มาแล้วกับผิวกับอยากได้เพิ่มขึ้นไปอีกวันนี้ได้อย่างนี้พรุ่งนี้ก็อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปกว่าเดิมไม่เชื่อลองเอาเงินไปให้ใครเขาดูสิวันนี้ให้เขาร้อยหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าให้เขาห้าสิบนี่เขาก็จะมองหน้าเราแล้ ว, ลวทาไมให้น้อยเหลือเกินเขาอยากจะได้สองร้อยสามร้อยนะให้สามร้อยเดี๋ยววันต่อไปก็จะมาขอห้าร้อยร้อยต่อไปเพราะ การอยากได้อะไรและได้มาแล้วไม่ได้ทำให้อิม่มไม่ได้ทำให้ใจอิ่มแต่กลับทาให้ใจหิวมากยิ่งขึ้นไปใหญ่ในทางตรงกันข้ามถ้าให้อะไรไปแล้วใจกลับอิม่มใจกลับไม่อยากได้อะไรเวลาใ ห, ให้เงินใครไปแล้วก็จะรู้สึกไม่อยากจะได้อะไรเพราะมันมีความอิ่มใจขึ้นมาได้ช่วยคนนั้นได้ช่วยคนนี้ทำให้เรารู้สึกมีความอิ่มใจ เราก็อยู่บ้านเฉยๆได้ไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งภายนอกไม่ต้องออกไปเที่ยวออกไปกินออกไปดื่มออกไปดูออกไปฟังเพียงแต่มาทำวัดทาบุญให้ทานแล้วกลับไปบ้านเราก็จะมีความสุขใจอยู่บ้านได้อยู่ติดบ้านคนอยู่ติดบ้านได้นี้สบายกับคนที่อยู่ติดบ้านไม่ได้ถ้าอยู่ติดบ้านไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องออก ออกก็ต้องเสียเงินเงินก็ไม่ใช่มีมากมายออกทุกครั้งก็ต้องเสียเงินไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดเงินก็จะไม่พอใช้แต่ถ้าอยู่บ้านติดจะมีเงินเหลือใช้จะมีความมั่นคงกับเรื่องการเงินการทองจะไม่เดือดร้อนอะไรนี่คือการรักษาใจของเราด้วยวิธีการต่างๆ จากวิธีที่ง่ายขึ้นไปสู่วิธีที่ยากวิธีที่ง่ายก็ได้ผลน้อยวิธีที่ยากก็จะได้ผลมากถ้าเราทำบุญให้ทานได้เราก็จะสู้คนที่รักษาศีลไม่ได้ถ้าเรารักษาศีลได้ทำบุญให้ทานได้เราก็ยังสู้คนที่เขานั่งสมาธิไม่ได้ถ้าเราทำได้ทั้งสมาธิด้วย เราก็ยังสู้ที่คนที่เจริญวิปัสสนาไม่ได้คนที่ปรงอนิจจังทุกขงังอนตัตตาได้แล้วเขาจะไม่เดือดร้อนกับอะไรเลยเขาจะไม่อยากกับอะไรเพราะได้อะไรมาเขาก็รู้ว่ามันจะต้องจากเขาไปได้มาแล้วก็ต้องเป็นภาระคอยดูแลรักษาต้องมาห่วงต้องมาห่วงต้องมากงังวลสู้ไม่มีอะไรดีกว่า คนอย่างนั้นก็จะเป็นพวกพระพุทธเจ้าพวกพระอาหารหันตสาวกพวกนี้เขาไม่มีอะไรเขาไม่อยากได้อะไรทั้งสิน้นเขาอยู่เฉยๆเขามีความสุขแล้วเพราะว่าเขามีเรือนใจที่ปกป้องรักษาภัยต่างๆที่จะเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจให้ทุกข์ทรมานเขาอยู่ในเรือนใจที่เป็นปรมังสุขขัง น, นิบบนานังปรมังสุขขัง นี่คือเรือนใจที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจะเป็นนิพพานเป็นพระนิพพานพระนิพพานนี้ก็คือเรือนใจที่เสร็จสมบูรณ์นั่นเองส่วนเรือนใจอื่นๆอย่างพวกเราที่มีกันนี้ยังเป็นเรือนใจหรือเป็นบ้านที่ย่างสร้างไม่เสร็จอาจจะมีหลังคาแต่ยังไม่มีฝาหรือมีฝาแล้วยังไม่มีหน้าตา่างไม่มีประตูอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าสร้างครบเสร็จครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว ก็จะเป็นบ้านที่เสร็จสมบูรณ์ก็จะเป็นบ้านพระนิพพานนี้อยู่ตรงนี้เป้าหมายของพวกเราจึงอยู่การสร้างเรือนใจนี้ให้ครบถ้วนให้บริบูรณ์จนเป็นบ้านที่มีแต่ปรมังสุขขังมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีความเสื่อมตามาจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดมาสร้างบุงสร้างกุศล ซึ่งเป็นวิธีสร้างโลนใจให้เกิดขึ้นเพื่อเราจะได้มีที่หลบภัยหลบภัยแห่งความทุกข์ทรมานใจมีแต่ความสุขไปตลอดอนันตการการแสดงก็เห็นว่าสมควรแต่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอกุสมผลบุญที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุรนัสุขะพละโดยทั่วหน้ากันเธอ